บาลีรูปาวจรโสโภพนจิตสิบห้ดวงเนี่ยนะพูดถึงว่าปฐมฌานก็มีองค์5้านะคือวิตตตะวิจาระปีติสุขสุขเขกะขตาสหิตังเนี่ยนะปฐมฌานนกุศลจิตตังมันก็ปฐมฌานก็ประกอบด้วยองค์5้านะคือ1วิตกสองวิจารสาปีติ4สุข5้าเอกขตานีนะหรือปฐมฌานนี่ประกอบด้วยองค์หก็ได้นะประกอบด้วยองค์หคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตา ส่วนธุติยะชานก็มีองค์5เออขอโทษองค์4ประการเนี่ยนะคือวิจารปีติสุขเอกคตาตติยะชานก็มีองค์สามคือปีติสุขเอกคตาเจตุทะชานมีองค์สองนะีคือสุขกับเอกคตาส่วนปันจมะชานเนี่ยอุเบขากับเอกคตาเนี่ยมันก็จิตแต่ละดวงนี่ก็มีองค์ไม่เท่ากันนั่นแหละ ในในดีกาหน้า64กล่าวว่าพันน า, นารูปาวจระจิต15ดวงเนี่ยนะบัดนี้ถึงลำดับนิเทศแห่งรูปาวจระจิตที่ยกขึ้นแสดงไว้ในลำดับแห่งกามาวจระจิตนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อจะแสดงการจําแนกรูปาวจระจิตนั้นโดยประการ5อย่างด้วยความแตกต่างกาันแห่งการประกอบด้วยองค์ชาตท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าปัรมาชาณกุศลจิตคือเป็นไปกับวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นต้น ปฐมฌานกุศลลจิตเนี่ยเป็นไปกับด้วยธรรมะทั้งหลายเหล่านี้คือวิตกหนึ่งวิจารหนึ่งปีติหนึ่งสุขหนึ่งเอกคตาหนึ่งชื่อว่าเป็นไปกับวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาหรือมีองค์ประกอบห้าอย่างนะถ้าเป็นแกงก็มีเครื่องเทศอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะนบรรดาธรรมะเหล่านั้นธรรมะชื่อว่าวิตกอธิบายคําว่าวิตกในปฐมฌานนะ พาะธว่าตรึกถึงอารมณ์คือยกสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายขึ้นสู่อารมณ์หมายถึงว่ายกภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกค ะ, ะตาชีวิตินรีย์มนสิการวิจารณ์ปีติสุขเอกะขะตาเนี่ยยกเจตสิกทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปรับรู้อารมณ์นั่นเองวิตกนั้นมีอันยกสัมปยุต ธ, ธรรมขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะ น, นะคือลักษณะของเขาคือยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ น, นะ เปรียบเหมือนบุรุษบ้านนอกบางคนเนี่ยอาศัยชนผู้เป็นราชวรสหรือมิตรผู้เกี่ยวข้องกับพระราชาย่อมเข้าไปสู่พระราชมนเทียนได้ฉันใดจิตอาศัยวิตกย่อมขึ้นสู่อารมณ์ได้ฉันนั้น น, นะตัวที่ตรึกเนี่ยนะตัวที่ตรึกถึงอารมณ์เนี่ยเหมือนกับคุ้นเคยคนคุ้นเคยกับพระราชาอันตรึกไปบ่อยๆจิตก็จะรับรู้อารมณ์นั้นมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพูดอย่างนี้นี่หมายถึงในขณะฌานนะ ถามว่าถ้าอย่างนั้นจิตที่ไม่มีวิตกจะขึ้นสู่อารมณ์ได้อย่างไรฉเฉลยว่าจิตที่ไม่มีวิตกแม้นั้นก็ขึ้นสู่อารมณ์ได้ด้วยกำลังแห่งวิตกนั่นแหละเปรียบเหมือนบุรุษบ้านนอกคนหนึ่งแม้จะแม้เว้นจากราชวรวรบวรบนี้แปลว่าคุ้นเคยนะราชก็คือพระราชานะผู้คุ้นเคยต่อพระราชาเหมงนนเถอะแม้กระทั่งเว้นจากราชวรวรหรือมิตรนั้น เป็นผู้ปราศจากความหวาดระแวงย่อมเข้าไปสู่พระราชมทีได้เพราะความคุ้นเคยฉันใดจิตไม่มีวิตกก็เหมือนฉันนั้นแม้เว้นวิตกก็ขึ้นสู่อารมณ์ได้เพราะความคุ้นเคยนะก็ที่เชื่อคำว่าความคุ้นเคยในที่นี้ได้แก่การอบรมจิตคือภาวนาที่บังเกิดแล้วด้วยอำนาจเป็นไปเมืองเนืองในสันดานแห่งจิตที่มีวิตกคือปฐมชามเนี่ยนะสมมติว่าจิตที่ ปฐมฌานเนี่ยมีวิตกไหมทุติยฌ า, านไม่มีวิตกเนี่ยปฐมฌานต้องชํานาญอย่างมากจริงๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตอนหลังไม่ต้องอาศัยวิตกก็เข้าฌานได้นะถ้าฌานที่สองเนี่ยต้องละองค์คือวิตกออกไปอีกอย่างหนึ่งปัทวิปัญจะเนี่ยนะหรือปัญจวิญญาณจิตแม้ไม่มีวิตกก็ขึ้นสู่อารมณ์ได้ด้วยกําลังแห่งวัตถุ ก, กับอารมณ์กระทบกันเช่นตากับสีกระทบกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อาศัยการกระทบกันระหว่างภายในกับภายนอกจึง จิตนั้นจึงเกิดได้และทุติยชาญเป็นต้นขึ้นสู่อารมณ์ได้ก็ด้วยกำลังแห่งภาวนาเบื้องต่ำทวนอีกครั้งหนึ่งนะจิตที่ไม่มีวิตกวิจารเนี่ยนะโดยทั่วๆไปอะย้อมจิตที่ไม่มีวิตกวิจารก่อน จิตที่มีไม่มีก่อนนะเอาไม่มีก่อนจิตที่ไม่มีวิตกคือทวิปัญจะศิบดวงเนี่ยนะแล้วก็ทุติยฌานเป็นต้นไปทุติยฌานเป็นต้นไปเรื่อยๆนี่จะไม่มีวิตกส่วนจิตที่ไม่มีวิจารณก็คือทวิปัญจะแล้วก็ ตติยาฌานเป็นต้นไปนี่จะไม่มีวิจารนนะส่วนจิตที่มีวิตกนะจิตที่มีวิตกก็คืออากุศลสิบสองอุเบกเข้าไปเอเหตุกะจิตนะเวน้นทวิปัญจาวิญญาณจิตออกไปสิบก็เหลือแปดกามาวจรัโสภณยี 24, ่สิบสี่ปฐมฌาน 11ปฐมฌาน11ประกอบไปด้วยปฐมฌานกุศลหนึ่งวิบากหนึ่งกิริยาหนึ่งโสดาปฏิมักปฐมฌานหนึ่งโสดาปฏิผลปฐมฌานหนึ่งสกะธาคามีมักสกะธาคามีผลอานาคามีมักอานาคามีผลอรหัตตมักอรหัตตผลที่เป็นปฐมฌานทั้งหมดเหล่านี้มีวิตกวิจารณ์เรียกว่าปฐมฌาน11 อันนี้พวกนี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะเรียนอีกครั้งหนึ่งในจีตสิกเนยะจะเรียนเพิ่มเติมอีกครั้งเนี่ย น, นีแต่ว่าเราควรรู้เอาไว้ก่อนจิตที่มีวิจารเนี่ยนะมีวิจารก็คืออักษรลจิต1ิบสองออเหตุกะอันนี้อันนี้หมายถึงอเหตุกะนะ อเหตุกะแปดกา ม, มาวาจรโสโพนะยี่สิบสี่ปฐมฌานสิบเอ็ดทุติยฌานสิบเอ็ด่จิตพวกนี้มีวิจารส่วนตั้งแต่ตติยฌานเป็นต้นไปไม่มีวิจาร์ทีนี้ถาเมื่อกี้กล่าวว่า ปกติจิตที่ไม่มีวิตกคือทวิปัญจะกับทูติยชฌานเป็นต้นไปเนี่ยนะจิตพวกนี้ไม่มีวิตกทีนี้ปกติท่านบอกว่าวิตกคือธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์การติดใหม่นั่ น, นะะอวิตกเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ะนะหรือยกสัมปยุตธรรมเน่นะ ยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยเช่นอันนี้เป็นอารมณ์วิตกเนี่ยจะยกอะไรขึ้นบ้างภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนธิการเป็นต้นนั่นแหละตัววิตกเนี่ยทำหน้าที่ยกขึ้นรับรู้อารมณ์นั้นๆถ้าไม่มีวิตกจะไม่มีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกเจตสิกขึ้นสู่อารมณ์เลย ทีนี้เขาถามว่าทำไมทวีปัญจะเนี่ยก็ไม่มีวิตกวิจารทำไมจึงจิตรับรู้อารมณ์ได้ล่ะเจตสิกรับรู้อารมณ์ได้ล่ะบอกว่ารู้ได้เพราะว่าทวีปัญจะนี่มันเป็นปฏิฆะคือวัตถุ ก, กับอารมณ์ต้องกระทบกันใช่ตาเช่นตากับสีนี่ต้องกระทบกันหูกับเสียงต้องกระทบกันเมื่ออาศัยการกระทบกันแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องอาศายัยวิตกไม่จาเป็นแต่ตัวมนสิการก่อนรู้อารมณ์นั้นต้องอาศัยวิตกนะ ตัวปัญจทวาราวัชนะนะปัญจทวาราวัชนะต้องอาศัยวิตกแต่ทวีปัญจไม่ต้องส่วนธุติยะฌานเป็นต้นไปเนี่ยถามว่าทำไมจึงไม่ต้องอาศัยวิตกเพราะปฐมฌานเนี่ยต้องมีวสีหคือเช่นชำนานในการนึกนึกอย่างชำนาญ น, นะพร้อมที่จะนึกถึงปฐมฌานได้สองชำนานในการเข้าสามชำนานในการ ตั้งอยู่ต่อไปก็ชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาเียนะบอกว่าชำนาญในการพิจารณานี่แค่ไหนบอกว่าสมมติว่าเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาวิตกแล้วเข้าปฐมฌานอีกออกจากปฐมฌานพิจารณาวิจาร์เข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาปีเตียนนะไอ้ความพิจารณาเนี่ยมันชำนาญมาก ชำนาญในการพิจารณาก็คือชำนาญในการนึกนั่นแหละน้อมไปที่จะนึกพิจารณาองชานเนี่ยชำนาญมากไอ้ที่ชำนาญมากก็เลยพิจารณามากๆเข้าเห็นโทษตัวนี้เอ้นี่จิตนี่มันต้องอาศัยวิตกอยู่ร่ําไปนะมันคล้ายๆกับคนปั่นจักรยานปั่นไปนานๆนะมันใช้มือจับใช่ไหมเอ๊ะทำยังไงจะปั่นโดยไม่ต้องใช้มือจับก็ได้อ่ะอนะ ก, ก็เริ่มคิดสูตรปั่นยังไงให้มันมีแม่คนปั่นจักรยานไม่ต้องใช้มือจับเนี่ย มีนั่นแหละก็เขาปาดอาศัยความชํานาญที่มีมากแล้วใช่ไหมเบื่อที่จะยกมือจับนะก็เห็นโทษ ก, ก็หัดฝึกแต่ว่าถ้าทางไม่ดีจริงๆก็ต้องอาศัยมือจับอีกนั่นแหละถ้าทางไม่ดีจริงๆก็ลงเดินและประคองจักรายานเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะก็อาศัยความชํานาญที่มีอยู่อย่างมากชํานาญในการนึกชํานาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการออกชํานาญในการพิจรารณาเมื่อชํานาญเนี่ยอันนี้เป็น อุปนิสัยให้อันนี้ก็ใช้ปกตูปานินสยปัจจัยนั่นเองที่คล่องแคล่วชำนาญมากเลยนะก็เป็นปัจจัยให้เลยไม่ต้องใช้วิตกเพราะ ว, วิตกนี้คือธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยนะแล้วก็เหตุผลที่กล่าวไปว่าจิตอื่นๆทำไมไม่มีวิตกเนี่ยนะ สอนไม่ด yes ีตรงไหนบ้างอะไม่ใช่คือว่างมันไม่เข้าใจเพราะว่ามันตั้งหลัไม uh ja. ่ถูกสอนไม่ดีก็ขอโทษมไม่ใช่กเอ้าวก็ว่าถ้าสอนดีๆไงเขแสดงว่าสอนไม่ดีเหรอวไม่ใช่ดีที่สุดที่เคยเจอมาว่าบอกว่าถ้าสอนดีๆนะตอนนั้นเไม่ดีนะงงก็เกรงใจอะอ้าวก็ว่าไปแล้วไงอ้อม่ นี่มาดูวิจารบ้างเลยนะว่าธรรมะชื่อว่าวิจารณเพราะาว่าเป็นเหตุเที่ยวไปในอารมณ์แห่งจิตวิจารณนั้นมีอันเคล้าอารมณ์เป็นลักษณะเนี่ยนะวิตกเนี่ยตรึกใช่ไหมวิจารนี่ก็เคล้าจริงอย่างนั้นวิจารณนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอนุสันธนะอนุสันทานะตาลแปลว่าความสืบต่อ บรรดาวิตกและวิจารนี้วิตกยังจิตให้ตกถึงก่อนดุดเสียงข้อระกครังทีแรกด้วยอาจว่าหยาบกว่าวิจาร์และด้วยอาจว่าขออภัยนะวิตกเนี่ยนะเหมือนเสียงระกครังเนี่ยข้อทีแรกด้วยอาจว่าหยาบกว่าส่วนวิจารเนี่ยด้วยอาจว่าก่อนวิจารณนั่นแหละเป็นยังไงด้วยอาจว่าไปก่อนวิจารนั้นนั่นแหละ อ๋อขอไปอ่านตกประโยคไม่น่านะเขาจริงนะของมาอ่านผิดนะเขไม่อ่านหยุดอย่างงี้หรอกมันเหมือนอะไรก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมีเรื่องว่าโทษของการอ่านผิดประโยคอะนะมีนักจําอ่านยาสมุนไพรผิดอันนะั้นลูกประคําดีควายลากขี้แล้วก็เหล็กทั้งห้าอันนี้คืออ่านผิดประโยคอะนะ ลูกประคําดีควายลากขี้แล้วก็เหล็กทั้งห้าอันนี้อ่านผิดประโยคนะคือจริงๆก็ต้องชื่อเต็มว่าลูกประคําดีควายแล้วก็ขี้เหล็กทั้งห้านะแต่ไปอ่านตัดประโยคผิดเลยเสียหายเลยนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะอ่านผิดก็บอกว่าวิตกยังจิตให้ตกถึงก่อนดุดเสียงข้อระครังทีแรกด้วยอัดกว่าด้วยอัดว่าหยาบกว่าวิจารณ์และด้วยอัดว่าเป็นไปก่อนวิจารณนั่นแหละคือตัววิตกเนี่ยนะ มันหยาบกว่าวิจารณอย่างหนึ่งมันเนี่ยเกิดก่อนวิจารเนี่ยอย่างหนึ่งหรือมันไปก่อนวิจารเนี่ยอย่างหนึ่งลักษณะเนี่ยนะผ่านผิดเลยไปยาวเลยนะความพิจารณาชื่อว่าวิจารณดุดเสียงครวนแห่งระคังนะนะครนะใครอยากรู้ก็มาเรียนก็มาตั้งแต่หกโมงย็นนะจะได้ยินทุกวันเลยนะไปแล้วก็คลางวันหนึ่งไปที่เจดีที่ที่เชียงรายนะเจะดีอะไรนะพวกค่ะ เออไปโดยตรงเลยเนี่ยเขาก็ไปครอบ ข, ข, ข้อระครังกันเล่นเนี่ยผู้การเขาเนี่ยไม่เห็นไหมพี่ตกวิจารเนี่ยมันดังอย่างนี้แหละงั้นนขึ้นไปบนนั้นนะแล้ยินเสียงระครัง ย, ยังพูดถึงวิตกวิจารณอยู่เลยนะมีอัธยาศาัยมากอันหนึ่งวิตกนี้มีอันแผ่ไปมีความยังจิตให้ดิ้นรนดุดการกระเพือปีกแห่งนกที่ต้องการจะบินไปในอากาศและดุดการบ่ายหน้าโผล่ลงเสูบดอกปทุมแห่งพมรพมรคือพึ่งนะนี่ ที่มีใจเนี่ยติดพันอยู่ที่กลิ่นฉะนั้นวิจารณ์มีความเป็นไจสงบไม่ใช่เป็นความไหวตัวอย่างแรงของจิตดุดการกลางปีกแห่งนกที่บินไปแล้วในอากาศและดุดการบินวนเบื้องบนดอกประทมแห่งหมูพมรที่บายหน้าสู่ดอกประทุมโผลงแล้วฉะนั้นก็กระพือปีกกับกลางปีกเฉยๆนะก็อยู่ด้ว ย, วยกันนั่นแหละสลับพระคร า, ากันไปนะแต่ถ้า กล่าวตรงๆแล้วปฐมฌานเนี่ยที่มีทั้งวิตกมีทั้งวิจารณ์มันก็ทั้งกระพือปีกทั้งแผ่ปีกนั่นแหละมันก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดนะเพราะว่าเป็นสัมปยุตตปัจจัยนะเกิดด้วยกันนั่นแหละส่วนองค์ฌานต่อไปคือปีติเนี่ยนะธรรมชาติชื่อว่าปีติพระาธรรมว่ายังกายและจิตให้เ อ, อิบอิ่มคือให้แช่มชื่นหรือให้เจริญปีตินั้นมีความเ อ, อิบอิ่มเป็นลักษณะอธิบายว่ามีการรับอารมณ์ได้โดยสบายเป็นลักษณะ ก็เรีกว่ารับอารมณ์อย่างสบายๆเลยนะรับอารมณ์นั้นแล้วมีความสุขเป็นอย่างยิ่งอันนั้นแหละเป็นปีติส่วนธรรมชาติชื่อว่าสุขพระธารมว่ายัางสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้เกิดความสบายสุขนั้นมีอันสเสวยอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นลักษณะโดดพระราชาทรงปโปรดปรานรถแห่งโภชนะอันดีมันนั่นนะเจออาหารอร่อยเข้ากันเลยยิ้มอะนะนี้ก็รับความสุขก็เหมือนกันได้รับอารมณ์ที่ดีก็ก่อให้เกิดความสุข บรรดาปีติและสุขเหล่านั้นความแตกต่างแห่งปีติปรากฏในการได้อารมณ์ดุดปีติแห่งบุคคลผู้ลำบากในทางกันดารเพราะเห็นน้ําที่ชายป่าเป็นต้นฉะนั้นแปลว่าเห็นน้ํานี่ก็ยิ้มเนี่ยนะปีติอ่มอิ่มใจก่อนทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ได้กินนะส่วนความต่างการแห่งสุขปรากฏในการเสวยอารมณ์ตามที่ได้แล้วดุดความสุขในการที่ได้ดื่มน้ําตามที่พบแล้วเป็นต้นแห่งบุคคลผู้ลำบากในการเดินทางนั้นเนี่ยนะ ความสุขเหมือนกับการดื่มน้ำนะปีติเหมือนกับการได้ยินว่าจะมีน้ําให้ดื่มแบบั้นแต่แต่ว่าตรงๆมันก็เกิดด้วยกันนั่นแหละนะปีติกับสุขก็เกิดพร้อมๆกันเกิดด้วยกันนะนะอันนี้เพียงแต่อุปมาให้เห็นชัดความแตกต่างระหว่างปีติกับสุขซึ่งสุขเหมือนกับขออภัยปีติเหมือนกับคนหิวน้ําได้ยินว่านั่นน่ะน้ําันนัฟังว่าปีติใช่ไหมคนที่สุขก็เหมือนกับดื่มน้ําเลย ส่วนเอกคตาเนี่ยนะจิตเอกขตาจิตชื่อว่า at เอกขะพราะอธาว่ามีอารมณ์เลิศอย่างเดียวเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆคือไม่ได้รับอารมณ์สเปสสปะไปหมดไม่ใช่ภาวะแห่งจิตมีอารมณ์เลิศอย่างเดียวนะั้นชื่อว่าเอกคตาได้แก่สมาธิเนี่ยนะตั ว, ต, ว C, ตัวสมาธินีเนี่ยนะตัวสมาธิตัวเอกขตาเจตสิก สมาธินั้นมีอันไม่ฟุง้งซ่านเป็นลักษณะจริงอยู่จิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมาธินั้นย่อมเป็นไปย่อมเป็นจิตไม่ฟุง้งซ่านคือจิตที่มีสมาธิหรือมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยนั้นจะไม่ฟุง้งซ่านแต่นี้สมาธิในระดับอัปปนานะเพราะว่าสมาธิจริงๆแล้วมีสามใช่ไหมคณิกะสมาธิเนี่ยอย่างเราๆทั้งหลายที่นั่งๆกันอยู่นี่นะเป็นคณิกะสมาธิทั้งนั้นแหละส่วนอุปจาระสมาธิคือ ฝึกคณิกะนี่แหละจนจนสงบประนีตสูงมากเนี่ยนะจึงจะเป็นอุปจาระทำอุปจาระให้มันแนบแน่นอนะันนั้นนั้นเป็นอัปปนาอันอัปปนานี้ก็อยู่ในระดับปฐมฌานเป็นต้นไปนั่นเองก็ค่อยๆเจริญโดยลำดับ